คือบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ด้วยสามารถการกําหนดว่าไม่เป็นไปในอํานาจถามว่าอย่างไรอะเอ๊ะอะไรไม่เป็นไปในอานาจก็คือใครใครย่อมไม่ได้อํานาจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณใครมีอํานาจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างแท้จริงได้บ้างผสมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนัตตาลักษณะสูตรที่ปลายสิทธิปัตนามรุทขายวันเนี่ยนะแสดงให้พระปัญจวัคคีฟัง ในวันแรมห้ค่าหรือหค่านี่ว่ารูปดูก่อนพิสูจนทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้ารูปนี้จะเป็นอัตตาแล้วซ้ายรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและจะพึงได้ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปเราอย่าได้เป็นอย่างอื่นอย่างนี้เลยอย่าเปะให้เป็นอย่างนี้แหละอย่าเป็นอย่างอื่นะเช่นไห้ที่เกิดก็อย่าแกไที่แกแล้วก็อย่าตายอย่านะ ดูก่อนที่สูทั้งหลายก็เพราะว่ารูปเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาธและย่อมไม่ได้ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าเป็นอย่างอื่นเลยได้ไหมล่ะที่เกิดแล้วก็อยากเกิดมาแล้วก็อยากแก่นะให้เป็นเด็กตลอดไปเนี่ยนะที่เกิดมาแล้วก็อย่าป่วยอย่าไข้นะสุขภาพดีตลอดการไม่ได้แล้วเนี่ยนะมันเป็นอนัตตา แต่คำว่าอนาตาก็ไม่ได้แปลว่าปล่อยปละละเลยไม่สนใจอาหารก็ไม่กินนอนก็มากขี้เกียจขี้คร้านรักไม่รักษาสุขภาพไม่ได้แปลอย่างนั้นแปลว่าถึงใครจะดูแลควบคุมขนาดไหนก็เป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นและไม่คอมีใครมีอำนาจแท้จริงในรูปรอกนะนะ เวทนาเป็นอนัตตาดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าเวทนาจักเป็นอัตตาแล้วไซเวทนาก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและพึงได้ในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลก็ย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าเป็นอย่างอื่นเลยเนี่ยให้มันสุขตลอดไปได้ใครทําได้หัวเราะยิ้ม อยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะเมตตาให้มันเป็นตลอดมาแล้วแต่ปัจจัยเนี่ยนะทำมาได้ปัจจัยที่สมควรกับเหตุผลเนี่ยนะขออย่างไรมันขอไม่ได้อยู่แล้วอะนะ สัญญาเป็นอนัตตาดูก่อนสูจน์ทั้งหลายถ้าสัญญานี้จักเป็นอัตตาแล้วใส้สัญญานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและพึงได้ในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยคืออย่าเป็นอย่างอื่นเลยนะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายแต่เพราะสัญญาเป็นอนัตตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาทย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้สัญญาของเราอย่าเป็นอย่างอื่นเลยนี่ยนะควบคุมไม่ได้ขนาดนั้นอะไรหรอก สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าสังขานี้จะเป็นอัตาแล้วใส้สังขารก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและจะพึงได้ในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้สังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยนะอย่าได้เปลี่ยนเลยให้กุศลตลอดไปเป็นต้นเนี่ยนะไม่ได้หรอกดูก่อนพิสูจนทั้งหลายแต่เพราะสังขารเป็นอนัตตาฉะนั้นสังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและย่อมไม่ได้ในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้ สังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยวิญญาณเป็นอนัตตาดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าวิญ ญ, ญาณจักเป็นอัตตาแล้วไวซวิญญาณก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและจะพึงได้ในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างอื่นเลยดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างอื <Multi> ่นเลยเนี่ยนะ ขอไม่ได้อยู่แล้วไอ้ขันห่าเนี่ยนะไอ้ขอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดมาแล้วก็ขอให้ตั้งอยู่นะไอ้ที่ตั้งอยู่แล้วก็ขออย่าแก่ไอ้ที่แก่แล้วก็ขออย่าตายไม่ได้เ น, นะนก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาอะ่ะและสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของท่านทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของผู้อื่น น, นะไม่ใช่ของท่านแล้วก็ไม่ใช่ของใครอย่างนะ ถ้ามีท่านจริงมันก็ต้องมีของท่านถ้ามีคนอื่นจริงก็ต้องมีของคนอื่นแต่นี้มันไม่ใช่ของท่านแล้วก็ทั้งไม่ใช่ของคนอื่นดูก่อนพิสูจทั้งหลายกรรมเก่าคือกายนี้เกิดจากกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีเจตนาเป็นมูลเหตุท่านทั้งหลายเพึงเห็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาร่างกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอุเบกขาเวทนาบ้างดูก่อนพิสูทั้งหลาย กายนั้นอันอรรยาสาวกผู้ได้สดาบแล้วย่อมมนสิการโดยแยบคลายด้วยดีถึงปฏิจจสมุปบาทนี่แหละว่าเพราะเหตุดังนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับคือเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป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 ตันอุปาทานตันหาเวทนาผัสสะสลายยตนะนามรูปวิญญาณสังขารเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยนะทุกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกองทุกข์ไม่ใช่สัตว์และกองทุกข์เหล่านี้มันเกิดจากอวิชชาเป็นต้นนั่นแหละมันมันไม่ได้มีพระเทพพระเจ้าที่ไหนมาโดนบันดาลมาเสกมาสันปั่นสร้างอะไรหรอกพระเทพพระเจ้าแม้แต่แยกไปแล้วก็คือเนี่ยเกิดจากอวิชชาเป็นปจัจจัยกัสังขารสังขารเป็นปัจจัยกับวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือกองทุกกองทุกที่เกิดจากปัจจัยเกิดจากเหตุมีอวิชชาตันหกรรมเป็นต้นนั่นแหละก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยสํารอกไม่เหลือนะถ้าสํารอกอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงด้วยการแทงตลอดอรหัตมักเนี่ยนะสังขารก็ดับเพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับเพราะนามรูปดับสลายตนะดับเพราะสลายตนะดับภาษาก็ดับเพราะภาษาดับเวทนาก็ดับเพราะเวทนาดับ ตันหาก็ดับถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่พิจารณามนุสิการปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมปฏิโลมสามารถเห็นอริยสัจอย่างนี้เรียกว่าเห็นว่าโลกไม่เป็นไปในอำนาจเนี่ยนะขันห้าไม่เป็นไปในอำนาจเป็นไปตามปัจจัย ถ้าเหตุเกิดปัจจัยพร้อมสังขารทั้งหลายก็เกิดแต่ถ้าเหตุดับปัจจัยดับสังขารทั้งหลายก็ถึงการดับในแรกนั้นในแรกที่กล่าวว่าขันห้าเหล่านี้ปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครมีอํานาจที่แท้จริงอะไรเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเดียวในที่สองว่าบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ด้วยสา ม, มารถการเห็นสังขารโดยความเป็นของว่างเปล่า ไอ้ตามเห็นสังขารโดยความเป็นของว่างเปล่านะถามว่าว่างเปล่ามันเป็นยังไงไอ้คำว่าว่างเปล่าไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีเช่นปินโตว่างก็คือปินโตไม่มีอาหารกระติกว่างก็คือติกไม่มีน้ำขวดเปล่าขวดไม่มีน้ำแก้วเปล่าแก้วไม่มีน้ำบ้านเปล่าบ้านร้างก็บ้านไม่มีคนอยู่หม้อเปล่าไหเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่หม้อหาไม่มีอันในคำว่าสังขารเป็นของว่างเปล่าก็ลักษณะเดียวกันคือใครใคย่อมไม่ได้แก่นสารคือแก่นสารคือความเที่ยง เป็นต้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันหาความเที่ยงได้ไหมในกายเนี่ยเอาไม่ร่างกายนี้ถ้าลองมันกระดิกไม่ได้แล้วไหมมันเที่ยงแล้วแ น, น่ะไม่น่าสนใจกันนะสแสดงว่ามันก็ไม่เที่ยงนะนั้นไม่ได้ความเที่ยงความสุขความยั่งยืนอัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นสารานะคือไปหาแก่นสารคือความเที่ยงความสุขความยั่งยืนเนี่ยนะ หรือโดยความเที่ยงความยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาหาไม่ได้หรอกเนี่ยนะค้นไปเถอรูปเนี่ยหาความเที่ยงที่แท้จริงสุขที่แท้จริงอัตตาที่แท้จริงหาความเที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปลวนเนี่ยหาไม่ได้เวทนาก็ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารสัญญาไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารสังขารก็ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารวิญญาณก็ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสาร คือไม่สามารถที่จะหาแก่นสารสาระวะเที่ยงสุกว่าอัตตาได้คือไปค้นโดยความเที่ยงความยั่งยืนมั่นคงหรือไม่เปรปรนก็หาไม่ได้เหมือนอะไรเหมือนต้นอ้อไม่มีแก่นสารนะนะต้นอ้อต้นละหงต้นมะเดื่อต้นรักต้นทองล้างฟองน้ำตอมน้ำต้นกล้วยพยับแดดฉันพวกนี้หาแก่นสารไม่ได้ก็แล้ลองตัดต้นกล้วยมันลอกกราบอยู่เถอะหาแก่นไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นรูปก็ไม่มีแก่นนะนะลองชําแหละด้วยนะซื้อไก่ตายมาสักตัวหนึ่งชําแหละดูมหา ม, มีอะไรตั้งในนั้นเพราะฉนั้นรูปปะคนก็สัตว์ทั้งหลายก็มีลักษณะเดียวกันเป็นรูปที่ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารไม่มีแก่นสารว่าเที่ยงสุกยั่งยืนอัตตา น, นะปะนัจจนหาเออเที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปลวเนื้หาไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันนะนะเป็นสิ่งที่ ไม่มีแกนสารคือความเที่ยงความมั่นคงไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาค้นยังไงก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงค้นยังไงก็ไม่ยัง่งยืนพิจารณาก็เห็นแต่ความไม่มั่นคงพิจารณายังไงก็เห็นแต่ความแ ป, ป, ป, ปรไปเปลี่ยนไปปรวนไปเนี่ยนะคนถูนเถอะในกายเนี่ยอย่างนั้นแหละอีกอย่างหนึ่งบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ด้วยอาการหกอย่างก็คือเห็นรูปโดยความที่ไม่มีใครเป็นใหญ่ในรูปอย่างแท้จริงเรียกว่า ตนไม่เป็นใหญ่หรือเรียกว่าไม่เป็นไปในอํานาจของของความเป็นใหญ่อะไรคือไม่มีใครมีอํานาจจริงๆในรูปอะนะหรือโดยทําตามชอบใจไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายไม่เป็นไปในอํานาจเป็นไปตามเหตุว่างเปล่าจากความเที่ยงเป็นต้นเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็เหมือนกันเนี่ยนะคือโดยความที่ตนไม่เป็นใหญ่ทําตามชอบใจไม่ได้ เป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายไม่เป็นไปตามอำนาจเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยว่างเปล่าจากความเที่ยงเป็นต้นอีกประการหนึ่งบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์โดยอาการสิบอย่างคือพิจารณาเห็นรูปว่างเปล่าศูนย์ไม่ใช่ตนไม่เป็นแกนสารเป็นดังผู้ฆ่าเป็นของเสื่อมเป็นความเสื่อมเป็นมูลแห่งทุกข์ไม่มีอาสวะเป็นขันอันปัจจัยปรุงแต่ง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเนี่ยนะเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ไม่ใช่ตนไม่เป็นแกนสารเป็นดังผู้ฆ่าโดยความเสื่อมเป็นมูลแห่งทุกข์ไม่มีอาสวะเอ่ะมีอาสวะคือเป็นอารมณ์ของอาสวะเนี่ยนะเป็นขันอันปัจใจปรุงแต่งเรียกว่าเห็นขันเหล่านี้โดยความเป็นของว่างเปล่าโดยอาการสิบ ส่วนเห็นขันโดยความเป็นของว่างเปล่าโดยอาการสิบสองก็คือรูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่บุรุษไม่ใช่คนไม่ใช่มานุปไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่ตนไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีใครอีกนั่นแหละก็ไม่ใช่ใครอีกนั่นแหละเอาแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นรูปวัญยังคำนั่นแหละ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่บุรุษไม่ใช่บุคคลไม่ใช่มนบไม่ใช่ยญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่อัตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครๆกันแหละไม่ใช่ใครเป็นอะไรมันก็เป็นขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน่แหละใครจะไปค้นให้มันอื่นจากนี้ทาไม่ได้หรอก สมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนาน น, นะอะไรไม่ใช่ของท่านนะละเถอะถ้าละแล้วจะได้รับความสุข ดูก่อนพิสูจทั้งหลายสิ่งอะไรเล่าไม่ใช่ของท่านทั้งหลายดูก่อนพิสูจทั้งหลายรูปไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละรูปเสียรูปอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเสีย เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานดูความพิสูจน์ทั้งหลายท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ใดที่มีอยู่ในเชตวันวิหารนี้ชนพึงนำหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้นั้นไปเสียเผาเสียหรือทําตามสมควรแก่เหตุ ท่านทั้งหลายเพิ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายนําเราไปเสียเผาเสียหรือทําสมควรกับเหตุบ้างหรือเนาะคิดไหมว่าเขาเผาเอาเราไปเผาอย่า ง, งนะีะเขาเผาเราอยู่นะเขาตัดเราเขาทําลายเราเนี่ยนะเวลาเห็นเขาตัดหญ้าเป็นต้นในสวนเนี่ยนีเ่กเกี่ยวอะไรกับเราเลยนะภิกษุก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ถามว่าเพราะนั้นเพราะเหตุไรภิกษุก็ตอบว่าเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะ พระองค์ก็ตรอบว่าช่างอย่างนั้นแหละฉันนั้นแหละเหมือนกันแลสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขตลอดกาลนาน ท่านละฉันทราค่าในขันห้าได้โอ้สุขสุดยอดเหมือนกันท่านพระนนทูลถาม <temple S 1> พระผู 0, ้มีพระภาคเจ้าว่าที่พระองค์ตรัสว่าโลกศูนย์โลกศูนย์คือโลกว่างอะนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าโลกศูนย์โลกศูนย์ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นอแลพระองค์ก็ตรัสตอบว่าดูก่อนอนุนเพราะศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนจึงชื่อว่าโลกศูนย์ ดูก่อนอนนลอะไรเล่าศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนก็คือจากสุเนศูนย์รูปศูนย์จากขวิญญาณศูนย์จากขูสัมผัสศูนแมสุขเวทนาทุก ข, ขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจากขูสัมผัสเ ป, ป็นปัจจัยเวทนาเหล่านั้นก็ศูนย์คือศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตน หูก็ศูนย์เสียงก็ศูนย์โสตะวิญญาณก็ศูนย์โสตะสัมผัสก็ศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ศูนย์ศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนจมูกก็ศูนย์กลิ่นก็ศูนย์คานวิญญาณก็ศูนย์คานสัมผัสก็ศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีคานาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ศูนย์ศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตน ลิ้นก่อศูนย์รถก่อศูนชิวหาวิญญาณก่อศูชิวหาสัมผัสก่อศูนย์แม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก่อศูนกายก่อศูนย์โพธภากรก่อศูกายะวิญญาณก่อศูนแม่สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีกายสัมผัสเป็นปัจจัยก่อศูน ใจก่ศูนย์ธรรมรมณ์ก่อศูนย์มโนวิญญาณก่อศูนย์มโนสัมผัสก่ศูนย์แม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก่อศูนย์ดูก่อนอโ น, นุนเพราะศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าโลกศูนย์โลกศูนย์ดุกอุอะนะดูก่อนคามินีเมื่อบุคคลเห็นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมะทั้งสิ้น ความสืบต่อแห่งสังขารทั้งสิ้นตามความเป็นจริงภัยย่อมไม่มีคือถ้าเห็นว่าอ้สังข า, ทางรทั้งหลายมันเกิดจากปัจจัยอย่างนี้สังขารมันสืบเนื่องเป็นไปอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีความกลัวอะไรนะเมื่อใดบุคคลพิจรารณาเห็นโลกคือขันห้าเป็นต้นเนี่ยสเสมอด้วยหญ้าและไม้ด้วยปัญญาเมื่อนั้นบุคคล น, นั้นก็ไม่พึงปรารถนาพบหรืออัตภาพอะไรอะไร ขันห้ามก็พอกัต้นไม้ใบหญ้าดูแลบำรุงรักษายากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องการขันอะไรนอกจากนิพพานที่ไม่ปฏิสนธิเนี่ยนะไม่ต้องการสร้างขันห้าเห็นมันเป็นภาระจากขันห้านี่แหละอย่างนี้แหละเรียกว่าเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์และสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายภิกษุย่อมค้นหาสาระของรูปด้วยอํานาจทิฐิว่าเราเนี่ยนะ คติแห่งรูปมีเท่าไรค้นหาเวทนาคติแห่งเวทนาค้นหาสัญญาคติแห่งสัญญาค้นหาสังขารกติแห่งสังขารค้นหาวิญญาณและคติแห่งสังควิญญาณเนี่ยนะคือค้นหาสาระนะก็ฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อตามค้นหารูปคติของรูปค้นหาเวทนาคติของเวทนาค้นหาสัญญาคติแห่งสัญญาค้นหาสังขารคติแห่งสังขารค้นหาวิญญาณคติแห่งวิญญาณว่ามีอยู่เท่าไหร่ก็ ความถือด้วยอำนาจทิฐิว่าเราความถือด้วยอำนาจตันหาว่าของเราหรือมานะว่าเป็นเราของพิสูจนใดมีอยู่ความยึดถือนั้นก็ไม่มีแก่พิสูจนนั้นถ้าค้นหาขันห้าตามความเป็นจริงและคติความเป็นไปแห่งขันห้าจริงๆจะไม่ติดข้องในขันห้าด้วยอานาจตัหาทิฐิมานะว่าเราว่าของเราว่าเป็นเราเลย พราะนั้นเรียกว่าจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์คือจงมองดูพิจารณาเทียบเคียงตัวตราจงทําให้แจ่มแจ้งทําให้ปรากฏซึ่งโลกโดยความเป็นของศูนย์นะก็ให้มีสติทุกเมื่อแล้วก็ท้อนอัตานุทิฏฐิเนี่ยนะคือสกายะทิฏฐิมีวัตถุยี่เรียกว่าอัตานุทิฏฐิอัตานุทิฏฐิก็เกิดจากปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดไดธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับ วินัยคือไม่มีวินัยของพระอริยเจ้าไม่เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บรุษไม่มีวินัยของสัตว์บุรุษผันพวกนี้ก็จะเห็นรูปโดยความเป็นตนตมีรูปรูปในตนตนในรูปเนี่ยเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนตนเนี่ยในตนมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเห็นัญญเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนเห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ พวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสกายยทิฏฐิทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นไปแล้วเป็นทิฏฐิที่รกชัดเป็นทางกันดานเป็นขฆาสึกเป็นเสี้ยนน้ําเป็นทิฏฐิที่แสบไปผิดเป็นทิฏฐิเครื่องประกอบไหวเป็นความถือความยึดถือความถือมั่นความจับต้องทางชั่วทางผิดความเห็นผิดนะความเป็นผิดลัทธิแห่งเดรธีการถือเอาโดยแสวงหาผิดการถือโดยวิปริ การถือวิปลาสการถือเอาผิดในวัตถุที่ไม่จริงว่าจริงจริ ง, รงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเนี่ยนะมันก็เป็นขันห่าวันยังคำใครจะสําคัญว่าเป็นของใครมันก็ไม่ได้เป็นมันก็เป็นขันห่านั่นแหละที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาัตตามเกิดจากตัณหาตัณหามสร้างขึ้นเท่านั้นแหละนั้นที่ทหกสิ62มีเท่าไหร่ที่ทีทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นอัตตานุทิฏฐิ ก็ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียคือรื้อถอนชุดกระชากลากออกเพิกละบันเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งอัตตานุทิฏฐิอันใครที่ตามเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์มีสติถอนอัตตานุทิฏฐิดังกล่าวไปเนี่ยนะพวกนี้จะพ้นจากมัจจุคือพ้นจากความตายด้วยอุบายอย่างนี้ความว่าข้ามขึ้นก้าวล่วงเป็นไปล่วงซึ่งมัจจุซึ่งชรามรณะด้วยอุบายอย่างนี้ คำว่าพิจารณาเห็นโลกก็คือมองเห็นพิจารณาเห็นเทียบเทียงพิจารณาทําให้เจริญทําให้แจ่มแจ้งซึ่งโลกด้วยอย่างนี้มารก็ชื่อว่ามัจจุราชความตายก็ชื่อว่ามัจจุราชเพราะฉะนั้นพญามารก็มองไม่เห็นความตายก็มองไม่เห็ น, หนถ้าแทงตลอดพระนิพผานเนี่ยนะสมตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายเนื้อที่อยู่ในป่าเมื่อเที่ยวอยู่ในป่าเดินไปก็ไม่ระแวงป่าลึกจริงๆที่ไม่มีอันตรายเนี่ยนะ ยืนก็ไม่ระแวงนั่งพักก็ไม่ระแวงนอนอยู่ก็ไม่ระแวงข้อนั้นพ่อใหไรเพราะนั่นไม่ใช่ทางไปของนายพรานฉันใดภิสูจ ก, ก็ฉันนั้นเหมือนกันสั่งจากาจาการสั่งจ่าอากุศลธรรมรเข่าปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูุนี้เรากล่าวว่าทำมารให้มืดกำจัดมารไม่ให้มีทางเห็นแล้วไปแล้วสู่สถานที่ไม่เห็นด้วยจกักษุของมารผู้ลามมก ก็คือเข้าปฐมฌานนะเนีเข้าทุติยฌานเข้าตัติยฌานเข้าจตุตฌานเข้าอากาสานัญญาตนะเข้าวิญญาณัญญาตนะเข้าอากิจัญญายตนะเข้าเนวสัญญาณาสัญญายตนะเข้าสัญญาเวทญาตนิโรธดับสัญญาและเวทนาเรียกว่าเข้าอนุปุพพิหารสมาบัติเข้าด้วยแล้วก็อาสวะของพิสูจนั้นหมดสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย ใครที่ทำอนุปภาวิหารสมาบัติก้าวตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านเจตุทะฌานอากาสารัญจายัตนาวิญญาณัญจายัตนาอากินจัญญายัตนาเนวสัญญาณาสัญญายัตนาตลอดจนถึงเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสิ้นอาสวะทั้งปวงนี่แหละเรียกกล่าวว่าทำมานให้มืดกำจัดมานไม่ให้มีทางไปแล้วสู่สถานที่ไม่เห็นด้วยจักษุ ข, ของมานผู้ลามก ข้ามแล้วซึ่งตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆถ้าปฏิบัติได้ตามนี้เดินอยู่ก็ไม่ระแวงยืนอยู่ก็ไม่ระแวงนั่งอยู่ก็ไม่ระแวงนอนอยู่ก็ไม่ระแวงพผ้าระหันนี่ไม่มีระแวงเหมงอนกันคนนั้นเพราะเหตุรายภิกษุนั้นไม่ไปสู่ทางแห่งมารผู้ลามกเพราะฉะนั้นมัจจุราชไม่เห็นด้วยประการชนนี้สรุปว่าดูก่อนโมกขราชท่านจงเป็นผู้มีสติเจริญสติปัญฐาสี่เป็นต้นพิจารณาเห็นขันธโลกเป็นต้นโดยความเป็นของศูนย์ทุกเมื่อ ถอนอัตานุทิฏฐิเสร็จแล้วพึงข้ามพ้นมัจจุด้วยอุบายอย่างนี้นะถ้าปฏิบัติ ด, ดังกล่าวไปเนี่ยพ้นมัจจุแน่เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้คือเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ดังกล่าวเป็นต้นไปเนี่ยนะมัจจุมองไม่เห็นท่านโมคราชก็แน่เหมือนกั น, นพอฟังทำสูตรนี้จบก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แม้ก็สิทธิของท่านเนี่ยนะสิทธิ์ของท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เทวดาและมนุษย์ที่ ทำบุญร่วมกันเจริญกุศลร่วมกันก็บรรลุมักผลนิพานเนี่ยนะมีโสดาปฏิผลเป็นต้น